จุดเริ่มของการศึกษามีช่องทางที่ชีวิตเตรียมไว้ให้แต่ต้องใช้เป็นจึงจะเกิดการพัฒนาเรื่องไม่จบเท่านี้เมื่อแยกยะออกไปก็ถึงองค์ประกอบที่เราต้องการสุดยอดคือปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วว่ามนุษย์จะตั้งจิตจำนงในใจและจะทาพฤติกรรมได้แค่ไหนก็อยู่ในขอบเขตของปัญญา และปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาที่แท้จริงแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องรู้กระบวนการพัฒนาของปัญญาการที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปพูดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มาอีกหันมาดูที่ตัวมนุษย์เองว่ามนุษย์เรียนรู้ได้อย่างไรและพร้อมกันนั้นมนุษย์สัมพันธ์กับโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ก็ต้องดูที่เครื่องมือสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสองประเภทคือ1มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่าอินรีหรืออายตนา6กอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินรีเหล่านี้เป็นทางหรือเป็นประตูที่เข้ามาของความรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เรียกว่าการรับรู้เพราะฉะนั้นอินทรีย์พวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าทวารหกซึ่งแปลว่าประตูหรือช่องทางการที่เรียกว่าอายตนะก็เพราะเป็นแดนต่อระหว่างชีวิตของเรากับโลกและที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะทำงานเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัว เช่นตาเป็นอินทรีย์ในการเห็นหูเป็นอินทรีย์ในการฟังเป็นต้นและชื่อว่าทวารในแง่เป็นประตูหรือเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างชีวิตกับโลกเป็นช่องทางเข้ามาของข้อมูลต่างๆเป็นทางสัมพันธ์ซึ่งมีหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. เราติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกทางประตูหรือทวารสาคือกายวาจาใจเราสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยเคลื่อนไหวจับนวนจับนี่ด้วยกายติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกับโลกมนุษย์ภายนอกโดยพูดจาบอกแจ้งไถ่ถามชี้แจงด้วยวาจาและมีเจตจำนง ตั้งเจตนาคิดการต่างๆด้วยใจสรุปว่าการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกทั้งหมดมีช่องทางติดต่อคือทวารสองชุดคือหนึ่งทวารประเภทช่องทางที่จะรู้หกทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกเต็มว่าภาษาทวารห เท่ากับช่องทางรับรู้ 2. ทวารประเภทช่องทางที่จะทำสามทางคือกายวาจาใจเรียกเต็มว่ากรร ม, มทวารสามเท่ากับช่องทางทำการการเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งแวดล้อม ในด้านการกระทํานี้เรียกว่ากรรมซึ่งแยกเป็นการกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทําทางใจเรียกว่ามโนกรรมเมื่อจับหลักนี้ได้เราก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนามนุษย์ ที่จะต้องอาศัยประตูหรือทวารทั้ง9้าคือรวมทวารทั้งสองประเภทนั้นเริ่มด้วยทวารชุดตาหูจมกูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์หรืออยายตนะหกนั้นเราใช้มันเพื่ออะไรมันทำหน้าที่อะไรถ้าเราไม่รู้หน้าที่หรือการทำงานของมันเราก็ใช้มันสเปะสปะกเรื่อยเปื่อยคือใช้ไม่เป็นไม่มีประสิทธิภาพ เราก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าเรารู้เข้าใจและใช้มันให้ถูกต้องเราก็จะพัฒนาได้อย่างดีพูดแบบง่ายๆว่าโดยสรุปหน้าที่ของอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกได้สองอย่างคือหนึ่งหน้าที่รู้คือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเช่น ตาดูรู้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นนาฬิกาเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นดอกไม้ใบไม้สีเขียวสีแดงสีเหลืองรูปร่างยาวสั้นใหญ่เล็กหูได้ยินเสียงว่าดังเบาเป็นถ้อยคำสื่อสารว่าอย่างไรเป็นต้นทำให้ได้ Data และ i n f o r ม a ช i o n 2. หน้าที่รู้สึกคือรับความรู้สึก คือพร้อมกับรับรู้ข้อมูลเราก็มีความรู้สึกด้วยบางทีตัวเด่นกลับเป็นความรู้สึกเช่นเห็นแล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบายถูกตาไม่ถูกตาสวยหรือหน้าเกลียดถูกหูไม่ถูกหูเสียงนุ่มนวลไพเราะหรือดังแสบแก้วหูรำคาญเป็นต้นจะเห็นว่าอินทรีย์หรืออายตนะหรือทวารหกนี้ ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันทั้งรับรู้ข้อมูลด้วยและรับความรู้สึกด้วยพร้อมกันการรับด้านรู้ข้อมูลเรียกว่าด้านศึกษาการรับด้านความรู้สึกเรียกว่าด้านเสพเป็นอันว่าอายตนะทาหน้าที่สองอย่างคือศึกษากับเสพ ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นถ้าจะให้มนุษย์พัฒนามนุษย์จะต้องใช้อินทรีย์เพื่อรู้หรือศึกษาให้มากส่วนมนุษย์ที่ไม่พัฒนาจะใช้อินทรีย์เพื่อเสพเป็นส่วนใหญ่บางทีแทบไม่ใช้เพื่อการศึกษาเลยเอาแต่หาเสพสิ่งชอบใจไม่ชอบใจถูกหูถูกตาเอาสวยงามสนุกสนานบันเทิงเขาว่ากุญแจสาคัญ ที่จะตัดสินว่ามนุษย์จะให้ชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรจะพัฒนาหรือไม่จะช่วยให้โลกหรือสังคมไปทางไหนก็อยู่ที่การใช้อินทรีย์นี่หละคนที่ไม่พัฒนาก็จะใช้อินทรีย์เพื่อเสพสนองความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วนเวียนอยู่นั่นสุขทุกข์ของเขาอยู่ที่ความชอบใจไม่ชอบใจ เจอสิ่งชอบใจก็เป็นสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็หาทางหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจหาแต่สิ่งชอบใจวนเวียนอยู่แค่นี้แต่ถ้าใช้อินทรีย์เพื่อศึกษาสนองความต้องการรู้ก็จะใช้ตาหูเป็นต้นไปในทางการเรียนรู้และจะพัฒนาไปเรื่อยๆปัญญาจะเกิดจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วต่อไปก็จะถึงจุดแยกคนที่อยู่กับการใช้อินทรีย์เพื่อเสพความรู้สึกความสุขของเขาก็จำกัดอยู่กับสิ่งที่ชอบใจแต่คนที่ใช้อินทรีย์เพื่อศึกษาจะพัฒนาความสุขให้ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปพร้อมกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใหม่ๆ